เป็นพระอรหันตอรหันต์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรานอกจากนั้นผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารจะเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาอินทร์พรมต่างๆก็ไปจากชาติมนุษย์ที่ทำคุณงามความดีเอาไว้พวกที่เปรตเปรกไหม้ตกนรกอเวจีเป็นสีเป็นเศษก็ไปจากมนุษย์ที่ทําชั่วทํำเสีย เมื่อเราทราบอย่างนั้นตัวของเราปัจจุบันเราได้ทำคุณงามความดีไปแค่ไหนจิตใจในปัจจุบันเมื่อจากอัตภาพไปเราจะไปสู่พบใดชาติใดทราบหรือยังเมื่อยังไม่ทราบจะไปนอนใจตายใจอย่างไรจะต้องเร่ ง, เรเรงรีบทำคุณความดีเอาไว้เพื่อให้แน่ใจ ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเมื่อใดพบธาดุทางหน้าเราจะไม่ให้ผิดหวังคือทำความดีเอาไว้ความดีที่เราทำเอาไว้จะนาเราไปถึงไม่เคยเห็นมาสวรรค์อยู่ที่ไหนเทว ด, ดาเทพประบุเป็นอย่างไรเราจะมีสิทธิ์ที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือน ก, นกันกับความชั่ว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 เขาห้องขังติดตารางไว้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรนั้นแต่เขาทําชั่วเพราะความไม่เชื่อของเขาไม่นานคนคนนั้นจะถูกเขาจับกลุมคุมตัวได้จะพาไปห้องขังเป็นอย่างไรก็าไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคุกเป็นอย่างไรก็าไม่เคยเห็นเขากวรจะเห็นคนอยู่ในห้องขังก็ดี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 เราก็เห็นกันว่ามันเด้ไปสู่ที่ชั่วที่ทุกข์คนทำดีแล้วปัจจุบันทันตาก็พ อ, พอเห็นกันได้ว่ามันสุขสบายแค่ไหนคนทำดียอมเสียสละมานาทิฐิยอมเสียสละทางกิเลสตัณหาทางโลก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 จะทําเอาฟัลมาโลกหรือนิพพานก็ทําเอาได้แต่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทํากันจริงๆเรื่องนรกเบ็อสุรกายสัจจเดฉานเราไม่ปรารถนาะที่เราเข้ามาวัดว่ามาฟังเทศหรือจําศีลให้ทานก็ปรารถนาะคุณความดีไม่ได้ปรารถนาะจะเป็นเป็นเปรียด เ, เ, เ, เ, เป็นผีเราจรึงทําอย่างนี้ ถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็มาทํากันแบบนี้ไม่ได้เพราะกลัวจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกกลัวจะไปเป็นเสียพระบูชเสีพระธ่ดากลัวจิเรียตัญหาจะตกจระโจนไฟวิ่งไปหาตั้งแจสิสิหยั่วยุจิตใจให้ต่ําซามเท่านั้นคนขี่เป็นแบบนั้นมันก็มี อยู่ในโลกมากดาดดืนเหตุนั้นเทพุทธเจ้าที่มาตัดสรู้ในโลกจึงมีมากแน่สอนสัตว์ขนสัตว์เกิดใจคามไปจาก เ, จเกิดแจ่เจ็บตายก็ได้ตั้งแต่เพียงเล็ดน้อยแต่สัตว์ที่มันยังเป็นปธะทาพ a มะคือเมือดอยอยู่บอดอยู่บอกให้มันรู้สีแสงอะไรเพราะมันบอดมันก็ไม่เห็น เมื่อไม่เห็นมันก็เกิดอยู่เรื่อยตายอยู่เรื่อยจนมันตามันค่อยดีขึ้นพระพุทธเจ้าองค์อื่นมาจากตรอีกแน่สอนอีกค่อยเบาบางไปเลยขนไปได้จากความแก่ความตายไปองนั้นนิดองนี้หน่อยพระพุทธเจ้าจึงไม่ขาดจากโลก มาตัดมาสอนอยู่เรื่อยผูปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากายังมีแล้วเรื่องพระพุทธเจ้าสอนนั้นพระองค์ยังทรงพระสนอยู่กว่าตามปรินิพานไปแล้วกว่าตามก่สอนให้ละชั่วบําเพ็ญดีทําจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นธรรมสอนส่วนใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสอน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 เพราะชั่วมันให้ผลแก่ตนข้องตนเมื่อเราคิดนิพิจานาทราบมูลความจริงเหตุผลของมันอย่างนั้นเราก็ละได้ปล่อยได้วางได้เพราะมันในผลแก่ตนค้องตนเหมือน ก, นกันกับยาพิษเคลือบน้าตาลถึงมันจะหวานทางนอกแต่ทางในมันเป็นพิษทราบดีว่าเมื่อเรากรืนกินลงไปนี้ เราต้องตายเนี่ยคนไม่ปรารถนาตายเขาไม่กินถึงทางนอกมันจะทำท่าทีว่ามีรสหวานก่าตามมันนี่ใจของพวกเราท่านที่อยากจะทำตามชั่วด้วยอำนาจราคาตัญหาต่างๆก่าทำนองเดียวกันเห็นว่าทำไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยมันให้ทุกข์หักห้ามเอาไว้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 ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ลงมือทาเพื่อผลประโยชน์ที่ตนต้องการพระพุทธเาจา้าสอนให้ละกรรมชั่วบาเพ็ญกรรมดีและทําทำจิตของตนให้พ่องใสทำอย่างไรจิตของเรามันพองใสเลยมันมืดบอดเดียวนี้ป ก, กติไม่มองเห็น เพราะเหตุใดพาะไม่ได้สนใจทั้งทั้งที่ว่าตัวมีจิตมีใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจิตใจของตัวเป็นอย่างไรไม่เข้าใจตัวของตัวเลยเราจะให้ใครมาเข้าใจให้นอกจากตัวจะเข้าใจเรื่องของตัวเองทำเป็นสันติโกคือเห็นเองมันผ่องใสมันเศราหมองเห็นเองนี่ไม่ได้มองเลยเรื่องจิตใจว่ามันเศร้ามันใส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 นี่เราไม่ได้มองไม่ได้จ้องดูเลยปล่อยปะอยู่อย่างนั้นแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็เลยไม่เผาให้ตัวของเราได้เกิดือดตายอยู่เรื่อยรับทุกข์รับโทษอยู่เรื่อยดังนั้นการฝึกจิตใจเกี่ยวความผ่องใสนั้นท่านจึงมีสติเระลึกยุนีปัญญาสอบสึกดู จะกำหนดลมหายใจเพื่อจะถูกจิตใจในใข่คิดปี่แปต่างต่างก็ได้จะกำหนดบทพุโทโธก็ได้ไม่แต่พระยาไสตั้งใจทำจริงจิงแรงจังจิตจิตชิดตรยนเกี่ยวกับเรื่องต่างต่างนั้นในใส่ทางสุกทางสบายคนที่มีอารมณ์มากอะาไรคนนั้นทุกมากคนที่ ละอารมณ์ได้เท่าไรปล่อยอารมณ์ได้เท่าไรคนนั้นสุขคนนั้นสบายยิ่งอารมณ์ทุกอย่างเลยนะก่อขวนจิตใจมันก็สงบจิตใจเมื่อมันสงบมันก็สบายมันก็ผ่องใสเหมือนกันกับน้ําถ้าหากเราอยากจะให้มันสงบอย่าไปก่อขวน ม, มันยิ่งขวนเท่าไรน้ามันก็กระเพื่อมเท่านั้น ตะกอนอยู่ในนั่นก็จะฟื้นขึ้นเรื่อยไปถ้าเราตั้งเอาไว้นึงน่งหนึ่งในแตะต้องมันมันก็สงบเมื่อมันสงบตะกอนมันก็เยิ้มลงไปนไ้ําใสอยู่ข้างบนเราก็มองเห็นจะได้เดินมันก็ได้หากตะกอนมันฟื้งขึ้นมาจนที่จนตัวของมันมันก็ไม่น่าดิ เพราะมีะแต่ตกอนมีแต่ของสกกุ่งฝมีจิตใจของเราก่ทํทำนองเดียวกันในเคยกาหนดให้มันอยู่ให้มันพักให้มันสงบมีแต่หาความสุขหาความเพลินตามอารมณ์ปัญญาต่างๆถามมีมหลาลสบก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังการไปดูไปฟังมหลาลสบต่างๆนั้น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 ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้มีแต่จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองเราคิดได้อย่างนั้นตั้งใจกำหนดอยู่ในบทบริกรรมคลองตัวหรือลมหายใจของตัวเมือ่อใดจิตไม่สงบเราจะไม่ปล่อยฝ่าละเลยการกำหนดของเราตั้งใจมั่นอย่างนั้นหรือมันไม่สงบให้ถึงเวลา นานมาพอสมควรมันอยากจะพักผ่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเราก็พักผรได้ระยะที่เราทำอยู่นั้นจิตไม่เด็กออกแหวบออกไปสูออารมณ์อันใหม่เราก็มีความสุขพอสมควรเพราะจิตไม่เด็กท่องเที่ยวจิตอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน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 ต่างหน้าต่างตาทำอะไรวันคืนเดือนปีก็หลวงไฟห่วงไฟอยู่อย่างเนี้ยความตายก็ไหลมาทุกทีทุกทีผล ท, ท, ที่สุดถึงวันถึงเวล า, าเขา่าเราจะห่วงจะห่วงสมบัติตทัศฐานบ้านช่องเขาคล้องขนาดไหนมันก็ไม่ฟังเสียงนะลูกยังเล็กยังแดงอยู่ไม่มีใครที่จะดูแลรักษายาจะให้ช้นตายเถอะ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 จะสะสมให้เกิดให้มีในกายในวาจาในใจของตนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนโมคะเกิดมาหาสาระอะไรไม่ได้ตายไปความทุกข์ไม่แผดเผามันก็จะเกิดขึ้นแกเราผู้เชื่ไม่ได้ทำคืองามทมดีอะไรเพราะไม่มีสมบัติมันก็จนเท่านั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่จึงมีกรรมจิตจึงจะทำํำจงงามความดีเอาได้เมื่อเราทราบอย่างนั้นจงพากันพยายามจะทําบําเพ็ญเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นดุจจน ต, ตัวผลเป็นผลจนประโยชน์แก่ตนขคงตนก็ดีแก่คนอื่นแก่สังคมก็ดีจึงจะทําบําเพ็ญอย่าไปตายใจนอนใจ ที่ <c oughs> ที่นี้ที่เจอมาอย่างนี้ยึดประกอบคุน ง, งามความดีของตัวถึงวันตายมาก็จะมีหน้าตายิ้มยมแจ่มใสเพราะเม็ดตัวไคคือความตายตายไปแล้วพบหน้าชาดหน้ากรรมดีที่เราสะสมเอาไว้จะส่งผลให้มันมีการเสียใจเพราะความดีที่เราสั่งเอาไว้มันมีปิด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 ควรสะสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะทุกคนจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายเดียกันเรานั่งสูดกันอยู่นี้อีกไม่กี่ปีในคนใดกับคนหนึ่งจะจากไปหรือไม่ถึงปียังไม่หมดปีจะหนีจากกันายก็เป็นได้เพราะความตายในนี้เสื่อมหมายว่าคนนั้นจะตายหนึ่งตายแก่คนนั้นจะตายวันนั้นวันนี้ ไม่มีใครที่จะสากความตายของตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงควรตายใจนอนใจรีบกบระทำบมเพนอเอาเสียไม่มีอะไรต่ต่างใจนั่งภาวนาบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาโดยดอกไม้ถุกเทียนเคยบูชามาแล้ววันนี้เราจะเอากายเอาใจอันนี้บูชาพระรัตนใจต่างดอกไม้ถุกเทียน ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็เป็นวุน่กกนวุ่นศนดูหนังฟังเพลงตลอดคืนตลอดวันได้เด่นการพรานันไม่กินเลยนอนได้พอใจมันติดใจมันชอบแล้วมานั่งภาวนาหาความดีใจมันไม่เอาฐานให้มีใจวิ่งไปกินในวัดก็อยู่แต่เสียใจยใจมันวุ่นโยคล่อง กับการกับงานกับพี่กับน้องกับเขา้ากับของแม่รักษาใจของตัวเราจะหาความสุขความสงบมาจากที่ไหนเราต้องรักษาใจของตัวชั่วมันมีอยู่ในใจก็รีบกําจัดปัดเป่ามันออกไปดีอะไรที่มันมีแล้วก็รักษาไว้ดีใหม่ยังไม่มีแตทําบําเพ็ญให้มันมีขึ้นนี่คือคน สนใจรักษาตนของตนทำไมสนใจเนี่ยเพื่อปฏิบัติล้วอยากจะให้จิตใจมันผ่องสายอยากจะให้จิตใจมันบริสุทธิ์นั้นมันจนไปในได้เหมือนกันกันกบเราเม่รับทานอะไรและอยากอืน่นเราไม่เดินไปจะอยากถึงเราไม่ทําจะอยากสําเร็จมันเน่ปราศ จ, จากเหตุผลมันเกินไปในได้ แต่นั้นทุกท่านจงพาจันทินิจพเจนาสะสมคุณงามความดีละชั่วจะทำจิตใจของตัวจู่เต่ามองมืดบอดต่างๆให้ปองใสเมื่อต่าง่านต่างคนจะทำบำรุงนตนอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามทำคำสอนของพุทธเจ้าความฝึกความเจริญที่เราป่าเถนะก็จะเกิด มีมาเสียตัวข้องตัวการอธิบายธรรมะเส้นแลักพอต้องสอนจิเวลาเพราะยุคเพียงแต่นเ้รอวาบัง